or wow. ที่มีมาเตาแก่ด้านเดิมนี้คือาการสัตใจของเร า, าชาวพุทธเจ้าก็มีกายสัตใจธรรมะที่ว่ากายสัตใจนี้เป็นสิ่งที่มีมาก่อชาวพุทธเจ้าตื่นมีามานดาของพระพุทธเจ้าก็มีกายสัตใจดังนั้น มีก่อนพระพุทธเจ้าตื่นธรรมะส่วนนี้ภาษาวัดวัดท่านเรียกว่าสภาวธรรมท่าเรียกว่าสภาวธรรมก็ก็องเห็นว่าเป็นสิ่งที่จะต้องเป็นไปตามกฎของธรรมชาติกฎของธรรมชาติส่วนใหญ่ก็คืออนิจจังไม่เที่ยง เพืเป็นไปตามกฎของรมาธิซช่งเมียวกัจารไม่เที่ยง ทแต่รู้เห็นซึ่งเป็นสิ่งตานอกแม่จะรู้มากมายตายของสัดเพียงในก็ตาแต่ถ้าเราไม่รู้เรื่องกายสัจใจเราก็ไม่มีทางที่จะโดนตุกได้เพราะการรู้เรื่องของกายสัจใจจึงเป็นแนวทางที่ทำให้ผู้ปฏิบัติต้องพ้นจากก่ตอตุกอันนี้เป็นธรรมะส่วนสภาะวะธราม เทธรรมะอันเป็นคำสั่งสอน <c oughs> ธรรมะอันเป็นคำสั่งสอนหมายถึงกฎ ร, ระเบียบอันเป็นอุบายสุฒผลอบรมจิตโรงทั้งกายแนะวากาให้มีปฏิบติมีภาพดีขี้นซึ่งกฎระเบียบอันนี้ เป็นศีลประจำโลกศีลแตดเป็นศีลที่เกิดขึ้นในสมัยพระพุทธเจ้าศีลสามวิญญูดเจ็ดเกิดขึ้นในสมัยที่มีพระพุทธเจ้าถ้าไม้มีพระพุทธเจ้าศีลสองประเภทนี้ไม่มีแต่ศีลข้าเป็นศีลเก่าวแก่ดัานเดิมศาสณาพุทธะมีไม่มีก็ยังมีคนรักษาศีลข้าเหลื 5, อรออยู่ในโลกอยู่บ้าง ไปเลากสมุนไปเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นสี่้าท่านเึ็งยกให้เป็นมนุษย์แต่สามคือเป็นมสำหรับมนุษย์สี่้านี้ถ้าจะว่าโดยโกเคเป็นกกหลักธรรมหลกัารความปลอดภัของสังคมเป็นหลักธรรมหลักเพื่อสารความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ เนม น, น, น, มนมุษย์สมงโหนาได้ต้องมีสี่ธาตมีหูโสนสามรถ้าอย่างนั้นทำไมปัจจุบันนี้มนุษย์เองได้มาเจอกันมากมายเพื่อเพื่อแก้ข้อข้องใจอันนี้จึงจะขอแต่งก็ไดับวามเป็นของมนุษย์ มนุษย์เราแต่ละคนนี่มีโอกาสที่จะเป็นได้สี่วาระตามกันในขณะใจที่เรามีจิตใจมีสีมีธรรมมีความเมตตาลานีมีความเอือเ้อเฟื้อเผือแผ่และมีสีมีธรรมเป็นหลักปฏิบัติในขณะนั้นใจของเราเป็นมนุษย์จิตใจของเราก็เป็นมนุษย์ ขณะใจใจใจของเรามีสมมัติฐานาติดใจีนเหตโผลต่าไปเจอความรน อ, รอายต่อไปความสะลุกลัวต่อไปไม่กล้าที่จะทำบาปทั้งในที่รักในที่ดีแจ้ในขณะนั้นตายของเราเป็นมนุษย์แต่จิตใจของเราเป็นสิวดา แต่ถ้าในขณะใดที่จิตใจของเรามีความเหนื่อยหน่ายรดเองไม่เอาไหนอดตัั้นลยให้ดึงเดินไปสาวปลาไปดาประโยนไม่าำกุญแมความดีใดๆในขณะนั้นใจของเราเป็นนร้แต่จิตใจของเราเป็นเล็กถ้าในขณะใดจิตใจ ถึงกฎหมายและสีน้รสมอยากจะทำอะไรก็ทำไปตามทำเปดใจเส้นสุขแท่แต่อารมณ์โกรธตอารมณ์ท้าไม่ได้คำนึงถึงความสุขแนความทุกข์ของตนมุ่งแต่ที่จะทำตามใจของตัวเองอย่างเดียวี่ใจัวเที่ยงไม่มีสีสันในขณะนั้นายของเราเป็นมรร แต่จิตใจของเราเป็นสัตย์เดียร์นั้นัญหาที่ว่าในปัจจุบันนี้คนมาเกิดมากมายเลกคนที่วิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์นี่ื่ารอจะมีคนกระเสร5ฐมากมารมบทศิมากมายกระมังมนุษย์เก่งมาเกิดมากนะนี่มีปัรหาที่คนทั้งหลายถามปัจจุบันนี้ ถ้าเราจะต้องทำไปถึงตาเป็นของมนุษย์ในข้อสุดท้ายที่หลังมาโดยในช่วงใดที่มนุษย์มีความโกรธได้มีความโกรธที่ไม่ทำนึ่งหรือกดไสหรือสิ่งนั้นต่าแอย่าใจทำอะไรก็ทำใททจตามธรรมประใจไม่ทำหนึ่งถึงความเดือด้อนของตนเอง ในขณะนั้นตายของเราเป็นมารษุษ ต, ตายของเราเป็นมารษุษแต่จิตใจของเราก็เป็นสัจเจริขาตนตาโนภงดีทั้งหลายถูกมนุษย์ผลถามเสียดโลกภยลกูยากาญาในของสัจเจลิขานถูกมนุษย์ับไปฆ่าแต่สิลมดเป็น่างญญาของสัจเจลิขานมันไม่มีที่เกิดกากพ่อแม่ทันดี เมื่อเวลาใดที่ใจมนุษย์กลายเป็นตัรใจได้ขาดวิญญาณของตัดใจไาดมันก็ถยโอกาสมาเกิดในขณะนั้นความจริงเรามีความว่าดูมใจและเกิดว่าเราเป็มนุษย์แต่เราลืมเลถึงกิจชะตาความเป็นของตัวเองในสักวันเพราะฉะนั้นเรื่องของสีห้าที่จะไปเรื่องสาคัญ เป็นแม่บอกของสีทั้งหลายทั้งปวงผู้ที่จะตั้งเป็นพรามีเพื่อะเดชนั้นผลไม่ขานต้องหลับพื้นฐานฝาเป็นมรุกให้สูเจริมีสีท่าบริสุทสานั่นเองแต่สีท่าในนักนแต่ในระดับแกแต่ในหลับพื้ฐานเลีวหักการพาต่ อ, ปปปอไปของสัง ความหมายเปว่าตานาดาดัเส เราฆ้าไมได้คมเองไม่ได้รังแนไม่ได้ยิงท้ า, ารังเบียก็ไม่ได้เมื่อเราเกิดขาดจิตใจของเราให้มั่นคงต่อมนต้อยั น, ยนแล้วโดยวิสัยของมนุษย์องมีจิตใจฝู่เป็นพื้นฐานความเมตตาลาีจะแผ่ภุไปถึงสัตเป็ารเองแม้สัเป็นสานเราก็จะาไม่ได้ ในการตุวจรังษาสีภาต้องปุดรไปตามขั้นตอนทีนี้เรามา <c oughs> พูดถึงเรื่องที่ลุทเข้าบริษัทมารักษาสีเพื่อจะบาเาาป็นสมาธิภาวาเพื่อให้รบรรลุมรรคทีในภายไม่ว่าเป็ปกเนกดในใดทั้งนั้นไม่ได้ยอมว่าตัดสินหรืออะไรกันถ้าหากสีรษอันไปนมูลฐานเนย ไอสมาทานเอาสิแผ่นสิสิสิบสองร้อยยี่สิบเจมาเป็นหลักการปฏิบัติสติาะโม บรรลุพระโสดาภันตั้งแต่าอายุสิบอาวุโสเจ็วดวบเมื่ออายุสิบหกขวบก็ได้แต่งงานมีครอบครัวคนที่แต่งงานมีครอบครัวอย่างนี้ก็ ม, มีแค่สี่ท่านถ้าเอาพระรักสิแต่ก็จะอยู่กับครอบครัวไม่ได้ต้องแยกกันนอนในเรื่องของเรื่องมังนเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นนางวิสาขามหาลูา ก, า, กาสิกาเป็นหลักฐานยืนยัน ว่าผู้าาที่มีแต่เยียสี้าตสามารถที่บรรลุพระสมุที่ปาได้นาริษาข า, ามีสี้าตุบรรลุพระสมุทัยปาแใจยังต้องรออุปสสาพระพุทธเจ้าทีอกองหนึ่งคือฤาษีอริยเมตไตรซึ่ง เ, เป็ น, ง น, าา น, น, มมนองค์สุทายแนวนาริสาขาจึงจะได้สำเร็จพระภารฐานเข้าสู่ิพานบัดนี้เรามากล่าวถึงหลักการปฏิบัติธรรม พยายามจงตละเวลามาบวเป็นสี่ปามก็คื่อจะได้ฝึกการทำปฏิบัติธรรมฝึกทสมาธิเรื่องของการฝึกการทำสมาธิ <c oughs> เราก็จยให้จินใด้ฟังได้ฝึกหัดสามารถพอสมควรแต่เรื่องของสมาธีนี้เปนหลักธรรมสาธารณโภคไปผุ้ใกล้ชิดศาสนา ไม่ต้องแต่ศาสนาพวกศาสนาความก็มีสมาธิหรือ ร, ร, ราศีธาตุข้าเข้าปีอะไรก็ต้องอาศัยสมาธิเป็นหลักเป็น้นครัในปัจจุบันนี้คนต่างประเตศเช่นเระเทัเซียเป็นต้นเขาทาสมาธิอย่างเอาปเอาตายแต่การทาสมาธิของระเศาสนาอื่น เมตตามุ่งหมายแตก ต, ต่ตางรปจากราษีศาสนารุทธราษีศาสนาพุทธทำเป็นสมาธิเพื่อศาสนาเจริญุ่ิา <c oughs> ดังนั้นเราจึงขึ้นต้นด้วยความเป็นผูมีศีลทรักาวาจาให้บริสุตาห ล, ลาลัทากที่จะพึ่งก้าร่วมด้วยตายด้วาจาเป็นญาตโยทั้งหลายให้สมาา นี่เป็นการฝรับเพื่อฐานตางกายสั่งบาอาจารให้มีความบริสุทธิ์ในเมื่อเรามีเชนาโค เ, เป็นตามปกติข้อนั้นเสร็จเร็วไปแล้วหรือข้งเราก็เป็นสิ่บริสุทธิ์ตานักจำเดิมแต่ขณนั้นเส็ยต้อมาเมื่อท่านทั้งหลายได้ที่สิบริสุทธิาท์าเีแล้ว การที่จะทาสมาธิในวันนี้จะขอแท้วิธีทําสมาธิด้วยการบริกรรมภาวนาและทำปฏิกำหนดตามรู้วิธีศีของตนเองตลับกันไปดังนั้นจึงขอตัวท่านทั้งหลายเตรียนท่านสมาธิหน้าโครงการนี้การทสมาธิตาม ตายตั้งกายให้ตรมดำรงสติให้บาตใครจนั่งในผ้าใดนี่เป็นวิธีการแต่ถ้าได้ถลัดในการที่จะั่งขัดสมาธิจะนั่งทที่คือาใก็ได้เพราะสมาธิเป็นจริยาสองใจไ่การนั่งไม่ใการเิการเดิการนอนเรากำหดจิพิกรรมภาวนาเช่นดูที่ิตของเรา ได้คือว่าในการสุดสมาธิในเมืท่านเตรี่ยนนั่นสมาธิเสร็จเรียร้อยแล้วพอในน้อมจิตน้อมใจในเรื่ถึงคุณของพระนุเถระว่าพุทโธธมโมสังโฆพุทโธธมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆ ใจนักใจรู้ว่า ก็ไม่ต้องคิดและอย่าไ้คนจิตให้มีความสงบด้วยวิธีการกดจิตหน้าที่ของท่านเชื่อไรผู้โผู้โผู้โผู้โตด้วยความเบาๆอย่ากดหรือกดความรู้สึกถ้าผู้ที่บริัติาำนาผู้โตผู้โตผู้โตผู้ หายได้ที่ปลายจมูกตรงที่ลมถ่านออกผาเข้าถ้าหากขั้นที่ไม่กำหนดลงด้วยก็ให้นึกโโโคโโคโถโเพียงคั้เดียวนเบาเบาไร้ใคกันวันกเล่นเล่ไม่ต้องการผลตอบแทนใดๆแต่เล่นมันจยุดอย่าให้มีท่องว่า เราต้องโคตรโตโคตรโโคตนักหนักเท่าเจ้าจะรู้สึกว่าเราไม่ได้ตั โรโผเป็นที่ขึ้นแล้วแล้วคนเลิกโคตโผ่ต่อไปไม่ต้องไปโผจิตให้มันสงบไม่ต้องไปตกแต่งอะไรทั้งนั้นเป็นแต่แจ่มเลิกโคตรโผล่โคตรโผล่โคตรโผอยู่เท่านั้นเมื่อจิตมันเลิกโคตรโผล่เอตโผล่ไม่ตั้งใจจิตจะสงบก็ตามไม่สงบก็ตามไม่ต้องไปตั้งเ หมดหมายเอาเพียงแค่ว่าจิตของเราไม่ฟุ้งเฟ้องเราเริ่มจะภาวนาได้ผลแล้วทีนี้เมื่อจิตไม่ฟุ้งเฟเองโดยไม่ได้ตั้งใจสานเข้าความรู้สึกเบาใก็เกิดขึ้นความรู้สึกเบาใจก็เกิดขึ้นใจเกิดความสงบจากทุกตะเวนสานจิตสงบจาก มาแทะแต่จดจ่ออยู่ที่พุโตเพียงอย่างเดียวแล้วว่าจิตดุึงซึมาบในธรรมาพุทโธหนักหนักเขา้าจิตจนมีานตการสงบลงไปสี่ละน้อยลวนอเมื่อสมบลงไปแล้วดทีจิตอาจจะดุจว่าพุทโธแล้วก็เกิดนิ่งเยอยู่ มีความสว่างไม่เเ่าเมื่อเป็นเช่นนั้นให้ผู้ภาวนากาหนดรู้ที่หัวรู้ในจิตอย่างเดียวอย่าได้เกิดเหตใจใดๆขึ้นมาถ้าเผื่อว่าตาจะมีอาการตา ก็กำหนดรู้เฉยอยู่เมื่อเหตุสว่างส่งกระแสออกไปข้างนอกบางทีอาจจะเห็นภาพนิมิตต่างๆกำหนดรู้ที่จิเฉยอยู่อย่าไปสนใจกับภาพนิมิตนั้นแม่จะเกิดความรู้อะไรขึ้นมาเป็นความตาก็กำหนดรู้เฉยอยู่อย่าไปสนใจกับความรู้ที่เกิดขึ้น กันหมดกันแ ต, แต่ว่ารู้รู้แล้วปล่อยวางไปถ้าใน่วงนี้จิตมันเกิดความคิดขึ้นมาถ้าสังเกตุว่าความคิดที่เกิดขึ้นทําให้รู้สึกเบาจิตก็ปล่อยถ้ามันคิดไปแต่เราทำปฏิสนตุ ต, ต, นนตามรู้ใจ ไ, ได้ดี ให้กําหนดหมายเอากามคิดติดตัวขึ้นมาเองนั่นแหละเป็นอารมณ์เรื่องรู้ของจิตแล้วเราทําสถิกําหนดตามรู้กามคิดนั้นไปอย่าไปห้ามกามคิดและอย่าเอากลับมาหาภูโหล่อยให้มันคิดไปจนเสร็จตัวแต่ว่าเราทําสติกําหนดตามรู้รไปด้วด ให้จ้องดูเหมืนอนกับเราจ้องตาดูสิดสงงอยู่แันแล้วก็กำดตามดูไป